ต่อหนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีกลัวเราจะมีโอกาสได้มาทำความเพียรฝึกฝนจิตใจตัวเองนี่มันหาได้จากนาคิดให้ดีอุปสัรคมันมีอยู่นานาปกรารความจิตป่วยไข้ หนึ่งก่เลสตัณหามันครอบงมจิตใจทำให้เกิดความเหนื่อยหน้ายต่อการปฏิบัติหนึ่งไม่มีผู้ชักจูงแนะนำสั่งสอนหนึ่งโมนีอุปสรรคมันมีอยู่ สำหรับที่จะให้คนไม่สามารถที่จะแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ได้ก็เพราะอุปสรรคต่างมานี่เองผู้ใดยินดีฝ่าพันอุปสรรคเหล่านี้มาได้ในมาผึกค้นอบรมตนในพระพุทธศาสนานี้ ก็ น, นับว่าเป็นลาภอันดีของผู้นั้นเพราะเหตุใด จ, จึงมาเป็นลาภเป็นลาภเพราะจะได้พ้นจากทุกข์จากภัยเพราะความพ้นทุกข์มันอยู่ที่การฝึกตนไม่ใช่อยู่ที่อื่นอย่างอื่น แม้บุคคลจะทำบุญทำทานมากมายเท่าไรก็ตามถ้าไม่ฝึกค้นอบรมจิตแล้วมันพ้นทุกไปไม่ได้อันนี้สงผลบุญกุศลอันนั้นมันก็อานวยผลได้เพียงแค่ เป็นผู้เจริญด้วยลาบยศสนเสริญในโลกนี้เท่านั้นเองมันไม่ทำกิเลสตัณหาให้เหือดแห้งไปได้ทั้งหมดพิจารณาดูให้มันเห็น เห็นว่าบุคคลทำบุญให้ทานไปอยู่นี่นะแล้วก็ยังทำบาปอยู่ไม่สนใจในเกณฑการรักษาศีลเช่นนี้มันก็พ้นจากนรกอบายภูมิไม่ได้เลยผลทานนั้นมันจะช่วยให้คนพ้นนรกนั้นยังไม่ได้ผู้นั้นทำบา กรรมมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีดื่มสุราเป็นที่สุดหรือว่าถ้าเป็นนักบวชก็เป็นผู้ล้มเมิดวิในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เช่นนี้นะบุคคลผู้ร่วงวิในต่างๆเหล่านั้นแล้วจะไปภาวนา ทำล่าจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ได้ mm. เพราะว่าทนทำบาปอยู่เรื่อยไปเรื่อเสียแต่ผู้ลุงละเมิดภวินัยรู้ตัวแล้วก็แก้ไขซะทำการแก้สักไขตามระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ จำระตนให้บริสุทธิ์แล้วไม่ล่วงอีกต่อไปนั่นแหละภาวนามันจึงเป็นไปได้พึงเข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์จะไม่แสดงข้อวัดปฏิบัติไว้เป็นหมวดเช่นฝ่ายเครือหัด ก็ทรงแสดงแนะนำให้ปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาเป็นนักบวชเป็นพระก็ทรงแนะนำสั่งสอนให้สำรวมในพระปาติโมเป็นสามเณรก็สำรวมในศีล ส, ส, สิบประการแล ะ, กะเกษตรคียาวัตเจ็ดสิบห้าข้ออีกด้วย เต่อจากนั้นก็เจริญสมาถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต่อไปอเป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ถ้าพูดท่า น, นก็นเรียกว่าบำเพ็ญศีล ส, สมาธิปัญญาให้เจริญไปพร้อมๆกันเช่นนี้มันจึงค่อย มีพลังกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิจใจได้ก็เพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวอย่างนี้ไม่เจริญสมาธิศีล น, นั้นก็เพียงแค่ว่าไม่ให้ทำบาปเท่านั้นเอง แต่มันจะพยกยามจัดกิเลสส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมาธิการเจริญสมาธิเพียงแต่ทำใจสงบนิ่งอยู่เฉยๆเ ท, ยท่านี้นี้ก็เพียงแต่ว่าคมกิเลสไว้ชั่วคราวเท่านั้นเอง ก็ไม่สามารถที่จะถอนรากเหง้าของกิเลสออกจากจิตใจได้เมื่อทำจิตให้สงบแล้วต่อเมื่อได้เจริญปัญญาวะนี่คือปัญญามาสอนจิตนี่ให้มันละความยึดความถือในขันธ์ทั้งห้านี้แหละ <c oughs> เพราะจิตใจมันยึดเถือขันหน้านี่ว่าเป็นตัวตนเราเขามานานแสนนานแล้วมันถึงได้เกิดแก่เจ็บตายท่องเที่ยวอยู่ในสงสารน่คันานานับชาติไม่ท้วนดังนั้นพระพุทธเจ้าจงทรงสอนให้เจริญปัญญานะี่ก็คือให้ กำหนดพิจรารณาขันห้านี่เป็นอารมณ์ก่อนอื่นทั้งหมดสอนจิตใจให้มันเห็นโทษแห่งความยินดีพอใจในรูปร่างของตนเองหรือรูปร่างของผู้อื่นนี่ข้อสำคัญก็ให้ ละความยินดีในรูปร่างกายของตัวเองนี่แหละเมื่อละความยินดีพอใจในรูปร่างของตัวเองนี่ได้ก็ไม่ยินดีพอใจกับรูปร่างของคนอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่ารูปร่างของตนเองและคนอื่นหรือเพศกงกันข้ามมันก็ประกอบขึ้นด้วย าธาตุสีดินน้ำไฟลมเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันจะมีพิเศษกัวกันอย่างนี้ก็หามีได้<อ>เพียงแต่บุคลิกลักษณะบางอย่างมันแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเนี่ยเนื่องจากว่าในโลกอันนี้มันมี อ, มอิทธิลักษณะ บริสัทลักษณะธรรมชาติหรือว่ากฎธรรมดามันถักแต่งมาอย่างนี้เรียกว่าลักษณะของรูปผู้หญิงลักษณะของรูปผู้ชายบุญกรรมหรือกฎธรรมดามันก็แต่งฮะตกแต่งให้แตกต่างกันไปเท่านั้นเองเนี่ยแต่ว่าทั้งหมดนี้ ก็เกิดขึ้นจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดเลยแล้วก็มีเมื่อจิตกับกายนี้อาศัยกันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีนามมาทำคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น แต่จึงรวมเป็นขันห้านั่นเองเนี่ยเพราะจิตนี้มันเป็นธรรมชาติรู้เมื่อมันอาศัยอยู่ร่างกายนี้มันก็ได้สัมผัสกับร่างกายนี้เมื่อร่างกายนี้เป็นปกติมันก็มีความสุขท่านี่ว่าสุ ข, ขเวทานา เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแปลปวนกระทบกระทั่งจิตอย่างแรงความรู้สึกของจิตมันก็ไม่ปกติซะแล้ววันนี้ผิดปกติไปวันไวไปทันเรียกว่าทุกขเวทนาหรือความกระทบความสัมผัสในระหว่างกายกับจิตมันละเอียดอ่อน มันไม่กระทบกระเทือนอย่างแรงความรู้สึกก็เฉยๆท่านก็นเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเมื่อเวทนาบางเกิดขึ้นแล้วสัญญาก็มีความจํำหมายว่าเราเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มีแล้วอันนี้สัญญาอันนี้มันก็จําไปทั่วเลย จำทั้งภายในจำทั้งภายนอก <c oughs> จำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่เองไม่ใช่อย่างอื่นได้เมื่อสัญญาความจำไว้แล้วมันก็เกิดมีสังขารคือความคิดปรุงแต่งขึ้นมาความคิดที่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นสวยอย่างนั้นงามอย่างนี้ขี้ร่ายอย่างนั้น อย่างนี้น่าเกลียดน่ารักความวิตกวิจาร์เกิดขึ้นในใจอย่างนี้ทานเดียกว่าสังขารถ้ามันคิดรักใครเข้าไปหรือคิดเกลียดชังขึ้นไปมันก็เป็นอภุญญาพิสังขารสังขารที่เป็นบาปนั่นเอง ไม่ใช่บุญซะแล้วคือไม่เป็นบาป ก, ก็เป็นกิเลสเมื่อความคิดอันนี้มันคิดดำริเป็นไปในทางแห่งความสงบจิตสงบใจเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย เช่นคิดตัวร่างกายสังขารนี่มันหาเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเดีวหาความสดสวยสะอาดไม่มีถ้าพี่นาให้ละเอียดลงไปแล้วเหตุที่มันจะพอดูได้กันอยู่เพราะว่าต้องอาบน้ำชำระขัดคลอยู่ทุกวันทุกวันมันจึงไม่เกิด สิ่งโฉโครบในร่างกายจึงไม่ได้ทรงกลินอันไม่พึงปรานาะออกไปแตะจมูกผู้อื่นถ้าไม่อาบน้ำชำระอย่างนี้แล้วทิ้งไว้สะเก็ตวันนี้เข้าใกล้กันไม่ได้เลยการพิจารณาเห็นเช่นนี้เลย มันก็เป็นอุบายให้เกิดนิพิทาความเบื่อนายขึ้นมาในใจเมื่อเบื่อนายแล้วคลายมันก็คลายความรักความใครความบอใจต่างๆกิ ต, ตก็เข้าสู่ความสงบได้นี่ท่านเรียกว่าปุญญาพิสังขารความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศล เป็นบุญเป็นกุศลแหละอมคิดแบบนี้นะคือความคิดฉลาดหมายเขาว่างั้นเลยเพื่อให้เข้าสู่ความจริงเพื่อให้จิตมันรู้จริงเงีนจริงขึ้นมาในใจแล้วปล่อยวางขันทังห้า น, นี่ลงไปดังนั้น ทุกคนขอให้บำเพ็ญปุญญาภิสังขารอันนี้ถ้าจะคิดก็ดีธรรมดาจิตนี้มันต้องคิดแหละมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ว่าเรามีสติกำกับความคิดนั้นมีปัญญาประกอบด้วยคือว่าคิดใจมันเป็นประโยชน์ต่อตัวงตัวเอง คิดแต่มันเป็นไปเพื่อเข้าสู่ความจริงอย่าคิดไปตามนิยมสมมุติของโลกโลกเขาว่าสวยว่างามเพราะมันหลงมันหลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงามมันจึงได้เกิดราคะตัณหา ขึ้นมาแล้วก็ไปผูกพันกันเป็นปัจจัยให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือนแบกภาระอันหนักร้อยแตดพันอย่างมันจึงเป็นทุกข์นั่นแหละพระพุทธเจ้าได้พิจารณาเห็นแล้วจึงได้ทรงสั่งสอนให้ผู้มี ปัญญาภูมิวาฒนาบารมีเอ็นแก่กล้าอย่าได้ประมาทอย่าได้พิจารณาให้มันเข้าสู่ร่องรอยแห่งความจริงเสมอตาเห็นรูปเช่นนี้นะก็ให้กำหนดพิจารณาพร้อมเลยรูปนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่สะอาดไม่สวยไม่งามอะไร มันมีแต่ความมีบัตดแปลพวนไปในจุขก็แตกดับเมื่อตาเห็นรูปแล้วพิจารณาให้มันทันกับความรู้ถึกอนันนัเสมอเสม อ, สมอไปแล้วมันก็ไม่เกิดตาพระสัญหาอะไรในรูปนั้นหูได้ฟังเสียงจมูกได้สุกลินลิ้นได้รับรส กายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรถ้าพิจารณาทันให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างว่านั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดความยินดีพอใจในสิ่งเหล่านั้นจิตก็เป็นปกติอยู่ได้อันหนึ่งท่านเรียกว่าวิญญาณ น, นี่วิญญาณ น, นี่มันก็เป็นอาการของจิต ออกจากกิจนี่แหละวินก็ไปอาศัยอยู่กับตาหูจมูกกลิน้นกายทกส่วนนี่ก็ออกไปจากกิจนี้เองแต่ว่าของเหล่านี้แม้มันวิบัติมันเกิดแล้วมันดับไปมันก็ดับไปเฉยๆเลยจิตใจนี่ยังปกติอยู่ ไม่ดับไปกับนามธรรมานั้นเช่นอย่างว่าวิญญาณทางตาอย่างนี้นะถ้าตานี่มันมันแตกหรือมันวิบัติไปอย่างใดหนึ่งวิญญาณอาศัยอยู่ไม่ได้แล้ววิญญาณทางตานี่ก็ดับมองไม่เห็นอะไรเลยไปอย่างนั้น วิญญาณทางหูก็เหมือนกันแกวหูแตกแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยไม่มีความรู้สึกทางหูอันนี้เป็นต้นแหละวิญญาณอื่นๆก็เหมือนกันพอที่ตั้งแห่งวิญญาณที่อาศัยของวิญญาณเช่นจมูกรีนอวัยวะร่างกายทุกส่วน เมื่อมันวิบัติเต็มที่แล้ววิญญาณก็อาศัยอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปมเมื่อวิญญาณเหล่านี้ดับลงไปแล้วสัญญาเวทนาสังขารอะไรก็ดับไปตามกันเราเรียกกันว่าตายนี่นะ แต่ดวงจิตไี่ไม่ดับสิบันนี้นะเนี่ยมันก็ถอนตัวออกจากร่างนี้แหละเมื่อเมื่อร่างนี้อาศัยอยู่ไม่ได้แล้วแต่สวนนมานมธรรมนามธรรมนั่นมันดับไปแล้วหากว่าบุคคลผู้ยังละอาสวะกิเลสไม่หมดบุญกุศลมันก็ตามตกแต่ง ขันห้าใ ห, ใ ห, ใหม่เมื่อจิตถอนออกจากร่างนี้ไปแล้วบุญกุศลก็แต่งขันห้าหจิตนี่อาศัยเต็มบริบูรณ์เลยเป็นอย่างั้นจะไปเป็นเท พ, พดาก็มีขันห้าบริบูรณ์อืมเดิมผู้ทําบาปทํากรรมบาปกรรมก็ไปแต่งรูปร่างขันห้า ของสัตว์นรกหรือเปรตเป็นต้นเหล่านี้ให้จิตดวงนี้ได้อาศัยนี่ได้รับทุกข์ทนทรมานอันนี้พวกบาปอากุศลนี่นะ <c oughs> ถ้าบุญกุศลตกแต่งขันหน้านี่ให้จิตนี่อาศัยมันก็มีความสุขสบายไประยะหนึ่งหมายของว่างั้นระยะที่บุญยัง ยังมีอยู่เมื่อบุญยังมีอยู่ขันหานี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับอเห็นไปเป็นเทวดาอย่างนี้ก็เมื่อบุญยังบำรุงขันห้านี่อยู่ขันหาก็ยังเป็นไปได้เมื่อบุญหมดลงก็ได้แล้วขันหานเป็นรูปร่างเทวดาก็สูญสิ้นไปตาม ลอมไปอย่างนั้นไม่มีการเผาศพเหมือนมนุษย์เราเพราะว่ารูปร่างของเทวดามันละเอียดนี่ปัญญามันต้องสอดส่องมองดูให้แยกแยะดูให้เห็นความไม่มีสาระแกนสารของธาตุสี่ขันหานี้ให้มันเห็นชัดชัดด้วยปัญญาของตนเอง เพราะเวทนามันกดเกิดแล้วดับไปไม่ใช่ว่ามันยั่งยืนอยู่ถ้ามันยั่งยืนตลอดไปเช่นนี้มันไม่ไหวล่ะคนต้องตายไวๆเลยถ้าเกิดทุกเวทนาไม่สงบลงสักทีเลยเช่นนี้แล้วต้องตายแน่เลอืมแต่นี้ก็พอเกิดทุกขเวทนาไปสัระยะหนึ่ง แล้วมันก็ระ ง, งับไปทุกขเวทนาน่ะทุกขเวทนาเกิดคือมาแทนอย่างงี้มันถึงยังไม่ตายคนเราน่ะคนที่ตายนั้นเพราะเหตุว่ามันมีแต่ทุกขเวทนาตลอดเวลาเลยเหตุด้านจิตนี้ถึงอาศัยอยู่ในร่างอันนี้ไม่ได้ ดังนั้นให้พิจารณาให้ละเอียดและออออกอ่ะให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะถือว่าเวทนานี่เป็นของเรามีอยู่ในเราแล้วเมื่อเจ็บเมื่อปวดเมื่ออะไรขึ้นมาก็จะวิตกว่าเรานั่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี่ลาย เราเห็นจะต้องตายแล้วผมคิดอย่างนี้นะมันเป็นนั่นแหละได้เดียวว่ามันยึดอะเ น, นี่ยมันยึดเอาทุกเวทนามาเป็นตนซะแล้วอย่าไปคิดอย่างนั้นเวลาเจ็บหนักลงไปอย่างนี้ก็พิจารณาว่าขันธ์ห้านี้มันเป็นทุกข์มันแปรปวนมันกำลังจะแตกกระดับ ก็ให้คิดอย่างนี้เพื่อนจิตให้รู้อย่างนี้เมื่อจิตรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนนะอ้าวแตกก็แตกดับก็ดั บ, ดบไปนะเพราะว่าขันธ์ทั้งห้านี่ไม่ใช่ของเราอ่ะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเดียวจะให้มันอยู่ยั่งยืนได้อย่างไร เมื่อปัญญามสอดสองมองเห็นอย่างนี้จิตมันก็วางอุเบกขาลงได้แบบนี้ไม่เสียใจไม่ดีใจกับร่างกายสังขารอันนี้แม้ร่างกายนี้มันจะแปรปวนอย่างไรจิตมันก็ไม่แปรปวนตามมันก็เป็นอุเบกขาอยู่ตามธรรมชาติของมันเพราะมันไม่ยึด อมันไม่ยึดขันห้าบว่เป็นตัวเป็นต้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้ข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นน่ะเห็นเองอ่ะรู้เองเห็นเองผู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้แล้วที่รู้เพราะว่าผู้ไม่ปฏิบัตินี่ไม่รู้แม้แต่จิตเป็นอย่างไรอ่ะ ไม่รู้เลยหมายเอาอะไรคือจิตไม่รู้เลยเพียงแต่ว่าจิตของตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปแต่ถ้าจิตรู้จริงๆลงไปนะ่ะไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะ่ะคนไม่ปคนไม่ได้ปฏิบัติก็เพราะฉะนั้นนะ่ะมันจึงยึดถือเอาจิตนี้เป็นตัวเป็นต้นแล้วพร้อมทั้งกรรมดีกรรมชั่วที่นี่ กำลีกำมชวกับพาจิตนี้เที่ยวไปเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนั่นเองผู้ที่จิตรู้จิตตัวเองจริงๆก็ต่อเมื่อตนได้ทำจิตให้สงบวางอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างหมดลงไป ไม่ถือมั่นอะไรต่ออะไรไว้ใช่นี้นะจิตรวมเป็นหนึ่งลงไปแล้วไม่มีกิเลสอารมณ์อะไรมาชวนจิตให้คิดพุงแต่งอะไรต่ออะไรไปอย่างนี้นะก็รู้ทัวได้แบบนี้นะอ๋อจิตนี่เป็นอย่างนี้ตัวเองก็รู้ตัวเอง่ะหมายเอาธรรมชาติรู้อันนี้อือ ถ้าจิตฝึกขวนดีมันก็ทำให้สงบลงไปไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรนี่นะนี่แหละมันถึงจะพ้นจากโรคสงสารอันนี้ได้แต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจะไม่ให้มันคิดเเลยไม่ได้จิตนี่นะ มันก็ต้องคิดแต่เมื่อมันคิดมันถักคิดประกอบด้วยปัญญามันรู้เท่าความคิดอันนั้นไปพร้อมเลยคิดแล้วก็วแล้วไปไม่ยึดไม่ถือเนี่นั่นแหละพูดอะไรไปแล้วก็วแล้วไปไม่ยึดไม่ถือไม่เสียใจดีใจกับเรื่องที่พูดทําอะไรไปแล้วก็วแล้วไป ไม่เสียใจดีใจกับการกระทำนั้นแม้การทำงานบางสิ่งบางอย่างผิดหวังไปก็แล้วไปเพราะมันไม่เที่ยงมันก็ต้องผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นธรรมดาในเมื่อมีปัญญากากับกายวาจาใจอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทุกข์ไม่ร้อนจิตนี่นะเพราะว่าไม่ได้ถือเอาการกระทาคาที่พูดเรื่องสิ่คิด มาเป็นอารมณ์ก่อให้เกิดความเสียใจดีใจต่างๆคนผู้ไม่ได้ฝึก้นใจให้ถึงที่มันก็ยอมยึดถือการกระทำคำที่พูดเรื่องที่คิดไว้ด้วยความยินดีบ้างความยินร้ายบ้างความเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างอะไรทำนองนี้ ดังนั้นแหละจิตนี้มันจึงเป็นทุกข์ขอให้เข้าใจถ้าบุคคลใดไม่ได้ทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปอย่างว่านี่ไม่เห็นทางพ้นทุกข์แน่นอนเลยอยอมยึดเอาแต่เรื่องทุกข์มาทับถมจิตใจตัวเองอยู่ตลอดเวลา แม้จะเป็นสุข ก, ก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองเนะียไม่นานอะไรเดียวก็มีเรื่องทุกข์ขึ้นมาแล้วเพราะว่าโลกอันนี้มีดีกับชั่วอสัมผัสกับจิตใจอยู่เสมอไม่ใช่ว่ามันมีแต่เรื่องดีมาถูกสัมผัสกับจิตนี้เรื่องชั่วก็มีนี่เป็นคู่กันไปอยู่เนี่ย ในโลกสันนิบาตนี้เราก็ห้ามไม่ไมากระทบกับกิตนี้ตลอดไปก็ไม่ได้เพราะว่าดีกับชั่วมันมีอยู่ในโลกนี้ก็มนุษย์นี่แหละสร้างขึ้นมาทีนี้ต้นก็อยู่กับมนุษย์นี่ไม่ใช่อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดีย ว, วม เกิดมาอยู่ในท่ามกลางของมนุษย์ทอมร้อมอยู่ทั่งออกไปเลยดังนั้นมนุษย์ผู้ยังละกิเลสไม่หมดมันก็แสดงออกทั้งความดีทั้งความชั่วออกไปอย่างนั้นแหละมนุษย์ผู้ยังลากิเลสไม่หมดผู้มีปัญญารู้เท่าแล้วจึงไม่หวั่นไหวไม่ยึดไม่ถือไม่เสียใจดีใจกับ กิริยาอาการของบุคคลอื่นที่แสดงออกมานี่เพราะว่ารู้ต้นตอของมันแล้วรู้ว่าผู้นี้ยังลากกิเลสไม่หมดยังยึดถือกิเลสเหล่านี้อยู่เช น, นี้นะดังนั้นเนะ่ะจึงไม่เสียใจไม่ดีใจกับกิริยาอาการของผู้มีกิเลสที่นาแสดงออกมา ก็เรื่องของผู้นั้นเองนะก็เมื่อตนหากว่าเป็นผู้ละ ก, กิเลสหลังอย่างว่านั้นได้ตนก็ไม่ยินดีร้ายกับเรื่องผู้อื่นเลยผู้ใดเขายัางละไม่ได้มันก็ต้องแสดงออกมาอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็ต้องทำความรู้เท่าเสมอไปว่าแต่ตัวของตัวเองเนี่ยอย่า อย่าปล่อยจิตตัวเองให้ไปหลงยินดียนร้ายกับสิ่งภายนอกนั้นแม้ว่ามันจะผิดหวังไปบ้างก็แล้วไปก็ของไม่เที่ยงจะให้มันสมหวังในทุกอย่างจะไปได้ยังไงอ่ะเช่นอย่างว่าเราไม่ต้องการยังให้ใครมานินทาว่าร้ายตนอย่างนี้นะมันจะไปห้ามได้ยังไงอ่ะเมื่อเขาไม่พอใจ กับเราเขาก็ยกโทษตีเตียนว่าร้ายต่างๆ น, น, นานาเพราะคนมีกิเลสอยู่นี้นั่นแะแต่เมื่อเขาชอบใจกับตนเขาก็ยกยอสนเสริญให้อันนี้มันเป็นโลกธรรมดาเราต้องเรียนให้รู้ต้องศึกษาให้รนนู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่วนไหว นี่เป็นทางพ้นทุกข์นะขอให้เข้าใจถ้าไม่รู้เรื่องหมดนี่แล้วไม่พ้นทุกข์สักทีอยู่ไปแม้จะเป็นนักปวดก็ตามกระลึงหัดก็ตามจิตใจนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันวนวั น, ว, น, ว, นวันไหวอยู่กับเรื่องดีเรื่องชั่วในโลกนี้คนเราไม่ใช่ว่าจะอยู่ สงบสงบอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องอยู่ไม่ต้องกินอะไรมันทําไม่ได้สิเองนะมันอยู่ไม่ได้อืมเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสรีระยนต์คือร่างกายเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนอย่างเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกนั่นเองเครื่องยนต์นะถ้าไม่ใช่ไม่สอยเลยทิ้งเวลานาน เกิดสนิมกินแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดเลยถ้าเป็นรถเป็นลาก็ดีเป็นเครื่องยนต์อื่นๆก็เหมือนกันร <c oughs> ่างกายนี้ก็เป็นเช่นนั้นเลยมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องทำงานต้องเคลื่อนไหวไปมาอยู่เสมอเช่นนี้มันจึงพออยู่ได้ เมื่อเคลนต่างคนจากก็เคลื่อนไว้ไปมาเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งกันบ้างเพราะความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ตัวเองได้แท้ๆนะทำไมไปยอมแพ้ต่อตัวเองทำไมไปยอมแพ้ต่อกิเลสก็ต้องเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นี่แหละบุคคลที่ไม่รู้หลักอันแท้จริง มันก็ย่อมอ่อนแอต้องท้อแท้ยอมแพ้ต่อกิเลสตัณหาไปถ้าบุคคลรู้หลักอันจริงจังลงไปแล้วว่าอ้าวจิตนี่มันไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งกันไว้แล้ววันนี้เมื่อจิตนี้เข้มแข็งกัไนไแล้วอะไรกระทกระทั้งมามันก็ไม่ตาย มันก็ไม่วนไหวเนี่ยสิ่งที่กระทบมานั้นมันไม่เที่ยงเรา้นี่ะเมื่อจิตไม่ยึดถือแล้วมันก็ดับไปเท่านั้นเองนะหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงเลยรูปทั้งมวลก็ดีเสียงทุกเสียงก็ดีเสียงดีเสียงชั่วก็ตามเสียงไม่ดีไม่ชั่วก็ตาม กลิ่นเหม็นก็ตามกลิ่นหอมก็ตามกินไม่เหม็นไม่หอมก็ตามรสอร่อยก็ตามไม่อร่อยก็ตามรสขมรสหวานรสเคม็มรสเปรี้ยวอืมรสผาดรสเฟือนอะไรต่างๆก็เหมือนกันเอืมมันก็ระวนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย นนเมื่อจิตมันเที่ยงมันตั้งมั่นอยู่แล้วรถต่างๆจะกระสั ม, สมามันก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรมแต่อย่างนั้นสัมผัสที่มีมากระทบกระทั่งร่างกายเนี่ยเย็นก็ดีร้อนก็ดีอ่อนก็ดีแข็งก็ดีเหมือนถ้าเป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้ เมื่อกายกับจิตยังอาศัยกันอยู่เนี่ยจิตยังอาศัยร่างกายนี้อยู่เมื่อร้อนมาสัมผัสกระทบกับร่างกายนี่จิตก็รู้เมื่อหนาวมากระทบร่างกายจิตก็รูนเน้เป็นอย่างนั้นเมื่อความเจ็บมากระทบร่างกายจิตก็รู้ อาการของร่างกายแปรผันไปยังไงจิตรู้ทั้งนั้นเลยนี่สัมผัสอะ่ะมันเป็นอย่างนี้แหละ เ, เมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งให้มีปัญญารู้เท่าสภาวะอันแปรปรวนต่งตางๆเหล่านี้แล้วจิตก็ไม่หวั่นไหวหมายความอย่างนั้น จิตก็ไม่เสียใจไม่ดีใจไม่ขับแค้นใจไม่เศร้าโศกเหล่านี้นะคอยพากันเข้าใจการฝึกผลจิตนะมันมีคุณมีประโยชน์อย่างนี้นะจะทำให้พ้นทุกข์ไปได้พ้นจากขันห้านี่เองเนะี่ย ถ้าหากว่าไม่ฝึกจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดรู้จริงตามสภาพความเป็นจริงดังกล่าวมานี่นละก็ค้นทุกไม่ได้นะจิตตรงนี้นะมันก็ยึดขันหน้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างนี้แหละ <c oughs> ดังนั้นทุกคนเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ให้พากันพากเพียนพยายามทำจิต ให้สงบระงับเป็นหนึ่งลงไปซะก่อนให้รู้ให้รู้ตัวเองซะก่อนหมายความว่างั้นเนี่ยเมื่อรู้ตัวเองได้แล้ววันนี้ก็สอนตัวเองได้แล้ววันนี้อืมอมเมื่อสิ่งใดที่ตนยังไม่รู้ยังยึดยังถืออยู่ปัญญาก็สอนจิตให้รู้ให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่แหละอืม เมื่อจิตมันเห็นชอบตามปัญญาแล้วมันก็ปล่อยก็วางเท่านั้นเองนะเมื่อมันเห็นเห็นลงไปว่าอ้าวสิ่งเดล่านี้มันไม่เที่ยงเมื่อมาอาศัยมันอยู่หากว่ายึดถือเอามามันก็เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงแล้วมันกวันไหวไปมากระทบกระทั่งกับความรู้สึกคือดวงจิตนี้เองเมื่อมันกระทบ จิตนี้ในรู้เท่ามันกดเสียใจมันก็เดือดร้อนไปถึงแม้ว่าจิตนี้รู้เท่าอยู่มันก็ยังก็ยังรู้รู้ว่าร่างกายอันนี้มันเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละมันไม่น่าอาศัยอยู่เลยถ้าหากว่าจิตรู้แจ้งแล้วนะอ๋อร่างกายอันนี้มันไม่น่าอาศัยจริง เพรามันไม่เทียงมันแปรปวนกระทบกระทั่งกับจิตอยู่อย่างนี้อืมมันก็รู้มันก็เห็นขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้แหละมันจะเป็นเหตุใต้เกิดติพิธาความเบื่อนายธนวัฒน์อยงั้นเมื่อเบื่อนายมันก็คลายความกําหนัดความพอใจยินดีในรูปในนามอันนี้ เมื่อมันคายความกำหนัดก็จิตก็วีมุตคือหลุดพ้นจากอุปทานทั้งปวงในเมื่อเมื่อจิตหลุดพ้นไม่ยึดถืออะไรต่ออะไรแล้วแม้ว่าบุญกรรมที่ทํามาแต่ก่อนมันยังไม่หมดมันยังรักษาขันทังห้านี้ให้เป็นไปอยู่จิตไม่ จิตนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะมันรู้แจ้งแล้วนี่รู้แจ้งตามเป็นจริงว่าคำทั้งห้านี้มันไม่เที่ยงมันจะเป็นอยู่อย่างนี้จะให้มันนิ่งๆอยู่ได้ยังไงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็ต้องแปรปรวนไปอยู่นี้แหละเมื่อมันแปรปรวนไปอยู่นี้มันก็เป็นทุกข์คือมันทนได้ยากหมายความอย่างนั้นอ่า มันทนได้ยากลําบากจริงๆเนื่องมาแต่ความไม่เที่ยงนั่นเองอนัจิตที่อาศัยอยู่ในรูปร่างนี้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อไม่รู้เท่ามันจึงเป็นทุกข์เกิดร้อนนั่นแหละเมื่อรู้เท่าตามเป็นจริงแล้วจิตไม่เป็นทุกข์มาเองเพราะจิตนี้เป็นธรรมชาติไม่ตายนี่อะไรกระทบกระทั่งมาอย่างไงมันก็ไม่ตายไม่ศูนย์อญ มันก็ยังมีความรู้อยู่อย่างนั้นแหละแต่เมื่อไม่ฝึกให้เข้มแข็งไม่ฝึกให้ฉลาดรอบรู้มันก็เป็นทุกข์แล้วแบบนี้นะมันก็ยึดถือเอามันเป็นงานเรื่องมาดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้นะขอให้พากันฝึกจิตนี่ให้มันหนักแน่นให้มันฉลาดรอบรู้ธาตุสี่ขัน่าที่ตนอาศัยอยู่นี่นะให้มันรู้ แจ้งตามเป็นจริงแล้วสงบอยู่สงบอยู่ด้วยความรู้ความเห็นความไม่ยึดไม่ถือนั่นแหละอันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกภายในสงสารดังแสดงมา